วิธีคิดแบบโยนิโสมนัสิการแบบที่4วิธีคิดแบบอริยสัตว์หรือคิดแบบแก้ปัญหาวิธีคิดแบบอริยสัตว์หรือคิดแบบแก้ปัญหาเรียกตามโบหานทางธรรมได้ว่าวิธีแห่งความดับทุกข์จัดเป็นวิธีคิดแบบหลักอย่างหนึ่งเพราะสามารถขยายให้ครอบคลุมวิธีคิดแบบอื่นๆได้ทั้งหมดบาลีที่พึงอ้างในข้อนี้ จากสัพพาสาวะสังวรสูตรมัชฌิมนิกายมูลปัญ น, นาตมีความสั้นๆดังนี้ภิกษุนั้นย่อมโยนิโสมนสิการหรือย่อมมณสิการโดยแยกขายว่าทุกข์คือดังนี้ย่อมมณสิการโดยแยกขายว่าเหตุเกิดแห่งทุกข์คือดังนี้ย่อมมณสิการโดยแยกขายว่าความดับแห่งทุกข์คือดังนี้ย่อมมณสิการโดยแยกคายว่า ข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับทุกข์คือดังนี้เมื่อเธอมานัสิการโดยแยบคายอยู่อย่างนี้สังโยชน์สามอย่างคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลพัตตปรามาตย่อมถูกละเสียได้วิธีคิดแบบอริยสัจนี้มีลักษณะทั่วไปสองประการคือ 1. เป็นวิธีคิดตามเหตุและผลหรือเป็นไปตามเหตุและผล สืบสาวจากผลไปหาเหตุแล้วแก้ไขและทําการที่ต้นเหตุจัดเป็นสองคู่คือคู่ที่หนึ่งทุกเป็นผลสมุทรไทยเป็นเหตุทุกเป็นผลเป็นตัวปัญหาเป็นสถานการณ์ที่ประสบซึ่งไม่ต้องการสมุทรไทยเป็นเหตุเป็นที่มาของปัญหาเป็นตัวการที่จะต้องกําจัดหรือแก้ไขจึงจะพ้นปัญหาคู่ที่สองนิโรธเป็นผล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 เหตและผลเป็นคัวอย่างกับเหตผลเหตและผลตรงกับภาษาอังกฤษว่า cause and effect เหตุผลตรงกับภาษาอังกฤษว่า reason ลักษณะทั่วไปประการที่สองของวิธีคิดแบบอริยศาสตร์คือเป็นวิธีคิดที่ตรงจุดตรงเรื่องตรงไปตรงมามุ่งตรงต่อสิ่งที่จะต้องทำต้องปฏิบัติต้องเกี่ยวข้องของชีวิต ใช้แก้ปัญหาไม่ฟุ้งซ่านออกไปในเรื่องฟุ้งเฟอ้อที่สักว่าคิดเพื่อสนองตันหามนณทิฐิซึ่งไม่อาจนำมาใช้ปฏิบัติไม่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาได้กล่าวแล้วว่าวิธีคิดแบบนี้รับกันหรือต่อเนื่องกันกับวิธีคิดแบบที่สามคือวิธีคิดแบบสามั ญ, ญลักษณะกล่าวคือเมื่อประสบปัญหาได้รับความทุกข์ และเมื่อสามารถวางใจวางท่าทีต่อสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องตามวิธีคิดแบบที่3ขั้นที่1คือรู้เท่าทันและยอมรับความจริงแล้วต่อจากนั้นเมื่อจะปฏิบัติ ด, ด้วยปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาตามวิธีปฏิบัติขั้นที่2ของวิธีการคิดแบบที่3คือแก้ไขและทำการไปตามเหตุปัจจัยนั้นพึงดาเนินความคิดในส่วนรายละเอียดขยายออกไปตามขั้นตอนอย่างที่แสดงในวิธีการคิดแบบที่4 คือวิธีคิดแบบอริยศัพท์หรือคิดแบบแก้ปัญหานี้หลักการหรือสาระสําคัญของวิธีคิดแบบอริยศัพท์ก็คือการเริ่มต้นจากปัญหาหรือความทุกข์ที่ประสบโดยกําหนดรู้ทําความเข้าใจปัญหาคือความทุกข์นั้นให้ชัดเจนแล้วสืบค้นหาสาเหตุเพื่อเตรียมแก้ไขในเวลาเดียวกันกําหนดเป้าหมายของตนให้แน่ชัดว่าคืออะไรจะเป็นไปได้หรือไม่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 ก็เพียงวางใจวางท่าทีแบบรู้เท่าทันกติธรรมดาอย่างที่กล่าวแล้วในขั้นที่หนึ่งของวิธีที่สมเมื่อกําหนดรู้ทุกข์หรือเข้าใจปัญหาเรียกว่าทำปริญญาแล้วก็เป็นอันปฏิบัติหน้าที่ต่อทุกข์หรือปัญหาเสร็จสิ้นพึงกล้าไปสู่ขั้นที่สองทันทีขั้นที่สองสมุ ท, ทยัยคือเหตุเกิดแห่งทุกขหรือสาเหตุของปัญหา ได้แก่เหตุปัจจัยต่างๆที่เข้าสัมพันธ์ขัดแย้งส่งผลสื่อทอดกันมาจนปรากฏเป็นสภาพบีบคั้นกดดันขับข้องติดขัดอืดอัดบกพร่องในรูปต่างๆแปลกๆ ก, ก, กันไปอันจะต้องค้นหาให้พบแล้วทำหน้าที่ต่อมันให้ถูกต้องคือปหานะได้แก่กมจัดหรือละเสียตัวเหตุแกนกลางที่ยืนพื้นหรือยืนรงกากับชีวิตอยู่ คู่กับความทุกข์พื้นฐานของมนุษย์พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ทั้งระดับตัวแสดงหน้าโรงคือตันหาและระดับเต็มกระบวนหรือเต็มโรงคือการสัมพันธ์สืบทอดกันแห่งเหตุปัจจัยเริ่มแต่อภิชาตามหลักปฏิจจสมุปบาทเมื่อประสบทุกข์หรือปัญหาจำเพาะแต่ละกรณีก็คือต้องพิจารณาสืบสาวหาสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ใช้พิธีคิดแบบที่หนึ่ง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 หรือจะปฏิบัติเพื่ออะไรจะทํากันไปไหนจุดหมายนั้นเป็นไปได้หรือไม่เป็นไปได้อย่างไรมีหลักการในการเข้าถึงอย่างไรมีจุดหมายรองหรือจุดหมายลดดันแบ่งเป็นขั้นตอนในระหว่างได้อย่างไรบ้างขั้นที่สมัดคือทางดับทุกข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือวิธีแก้ไขปัญหา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 โดยสอดคล้องกับจุดหมายที่ต้องการ